ค่อยสี่สิบสามครับที่สุรูปใจดเข้าไปในบ้านอันหนึคู่สามีภรรยาอยู่โดยเขากำลังเกิดราคะกันอยู่แล้วคึอสองสำเร็จการนั่งแท้เป็นก้างขวางคอต้องอาบาาัติปานจิตตีท่านี่ก็เลยเคยก็น่าจะรู้เลยนะครับ มันต้องมีอะไรสักอย่างในเป็นเคชื่อหมาตอนนี้ที่หมายเพราะว่าเข้าไปในบ้านที่มีคู่สามีภรรยาอยู่มันนีะเข้าไปในห้องนอนเข้าเลยนะครับถ้าไม่ใช่ห้องนอนไม่เป็นไรนะเข้าไปในห้องนอนแล้วก็เข้าไปใกล้เตียงเขาเลยนั่นนะถ้าเป็นประตูใหญ่เนี้ยประตูที่ไหนประตูห้องนอนขนาะเลยหักผ่าประตูเข้าไปนั่นนั่นถึงจะเป็นอาบัติแลอันนี้นะถ้าอยู่ข้างนอก นอกห้องหรืออยู่ตรงที่ไม่ใช่ห้องนอนไม่เป็นไรอันนี้เอาห้องนอนดงเกณฑ์นะครับเข้ากาลังเกิดอไราข้าอะไรนะเขาอุตส่าห์เป็นอยู่น้องนอนแล้วนะถ้ายางตาเขาไปเนี่ยผมวมันเกิดไปแล้วเลยเนี่ยก็เลยต้อนแบบไอ้ตีอรยงเนี้ยตรเนี่ยที่เนี่ยน่าทำเขาเขาแปลกผิดใช่ไหมกับโพชเนยใช่ไหครับอ่าข้าบารีว่า่โยปนาทีขู่อ่าเขสวัเ โยกนาทนะิคูสโผชชนกุเลอนุปคัชชะนิสัชชังตับไปย่าปาจิตตยังอันหนึ่งทิคูใดพึงเข้าไปนั่งแทะในสกุลที่มีคนอยู่สองคนนะครัไม่ใช่ในสกุลที่กำลัง ก, กินอาหารอยู่เขาบอกสโผชนะใหสสกุลที่กินนี้มีมีโภชนะอยู่นะแล้วเขาก็ ก, ากินอาหารแล้วก็ว่างรูปเลยนะคนกำลังนั่งกินอาหารแล้วก็พระก็มานั่งใกล้ๆใช่ไหม เนี่ยเราคือน่าทำนะครับไม่ใช่นะมันมีสังโพช น, นะสะใช่ไหมที่มันอยากสันติมีอยู่แล้วก็อุโภคโภคตัวสองนะครับและชนะแัวว่าชนนะครหมายถึงเข้าเป็ น, นั่งแทะนะในตระกลูกลที่มีชนอีูสอคนนะหมายถึงมีสามีภรรยานนะอันนี้นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเปวงเข้าเลยวงเข้า ได้กินข้างไปเลยไดเป็นเพือนอใช่ไหมนั่นนะเข้าดีไม่ดูความที่บาเนี้ยก็เป็นดีความผิดนะครับอันนี้เราเห็บาทเข้ไปนะหรือว่าออกเข้ามาในประตูเข้ามานี่ได้ใครับแ <c oughs> นทบบาทประตูนี้เข้ามาอีกเข้ามาโอ้เป็นันทาอีกแล้วโอเป็นนันทาเขนี่ก็ไม่ยากคนไม่โดนง่ายๆมันก็ดูยากนะ นหน้าห้าที่ห้าห้า้อยเก้าสิบ้าร้อยแปดสิบเก้า้อยแดสิบเก้าใช่ไหมครับเรื่องพบทปนันธาอวินิท่าละแปดสิบเก้าใช่ครับเรื่องพบทปนันธาสาค迦ยหุฒโดยสมัยนั้ น, พ, พ, พ, พ, นพุทพ่อป้าพระเจ้ามาทับอยู่หน้าพรเชตวัน อาลามของาราธิติกาข้ามบดีเขตพันขอสามัตถีครั้งนั้นท่านพระปนันทาสากยาบุตรไปสู่เรือนของสหายแล้วสําเร็จการนั่งในเบญนนอนกับภรรยาของนี่เข้าไปในห้องนอนเท่าไลยนะั่แล้วก็ไปนั่งกับภรรยาเขาด้วยนะครับเป็นธรรมดาหนึ่งจึงบุรุษสถานนั้นเข้าไปหาท่านพระปนันทาสากยบุตรครั้นแล้วก่าบไหท่านพระปนันธาสากยบุตร แล้วนั่งหน้าที่ควรเสื่อมข้ามึงเขาหนังเรียบร้อยแล้วบอกภรรยาว่าจงถวายพิสาแก่พระคุณเจ้าอันนี่ไงจะได้ท่านกลับไปใช่ไหมชิงนางได้ถวายพิสาแก่ท่านพ้าพณันทาสากยบุตรบรุษนั้นได้เรียนท่านพระปณันธาสากยบุตรว่านี่มันท่านกลับเถิดครับเนี่ยพราะพิสาเข้าระเจ้าก็ได้ถวายแก่พระคุณเจ้าแล้วสตรีภรรยานั้นกำหนรู้ในขณะนี้ว่า บุตรนี้อันดาคะรบกวนแล้วนะครัู้เยนะว่าสามีกําลังเกิดราค่านะครับแตงว่าแกไม่มีอารมณ์นะจึงเรียนท่านพ่อปัญญาสามชายบุตรว่านิมนต์ท่านนั่งอยู่ก่อนเถิดเจ้าข้าอยากเพิ่งไปสามีก็จะให้ไปนะภรรยาก็จะให้อยู่นะครับแม้ครั้งที่สองบุษนั้นก็เหมือนเดิมนิมนต์ให้ท่านไปแต่ภรรยาก็นิมนต์ให้อยู่นะครับแล้วก็แม้ครั้งที่สามนะ ดูนั้นก็ได้เรียนท่านพระบุัญชาสักายบุตรว่านิมนต์ท่านกราบเถิดเขาเล่พพาพระวิสาขประจ้า ก, ก็ได้ถวายแก่พระคุณเจ้าแล้วแม้เขาหนีสารเหมือนเดิมหญิงนั้นก็ได้เรียนท่านพระบุัญชาสักายบุตรว่านิมนต์ท่านนั่งอยู่ก่อนเถิดเจ้าข้าอยากพึ่งไปนะครับเน <Okay. S 1> ี่ยแกก็ยังไม่ไปเลยผีเพราะผงแม่ไปใช่ไหมท่านก็ยังอยู่นะครับสามวินิจทนไม่ไหวนะครับท่านได้หลุดสามีเดินออกไป กล่าวยกโทษต่อพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าท่านเจ้าข้าพระคุณเจ้าอุปนนนี้นั่งในห้องนอนกับภรรยาของกระผมนี่ไนะงไปให้พ่อยว่าอะไรนะครับกระผมนี่เมื่อท่านกลับไปก็ไม่ยอมกลับนะกระผมมีกิจมากมีเกานมีเยอะมากทนไม่ไหวควรจะออกไปตะโกนออกไปว่าเลยนะบรรดาพิสุทธิผู้มากน้อยสัโดดหนักล้อแท่งก็ถือเตรียมมุตนาว่าฉะนั้นท่านพ่อคุณทาสาอายะบุตร จึงได้สาเร็จการนั่งแทรกแซนในต่ะกูลที่มีคนสองคนล่าและการม่ลื่งนั่นแหละที่ทำพลางได้รูดงก็งทรงสองขาทรงปีกเตียนท่า้องกปนนทและก็มายืนสุดขาบนนี้ขึ้นมาครับเนี่เรื่องราวเป็นหนึ่งนี้จำไว้น่าจะพ่อในห้องนอนนะครับก็มีขอมที่บอกในตาราได้เลยหน้าสองรอสเอ็ครับข้อที่สามนะอธิบาย สัพโชนะสิกขาบทพึงสร้าบอ ธ, ธิบายสิกขาบทที่สามต่อไปชื่อว่าสัพโอชนะเพราะเป็น เ, เป็นตระกูลที่มีคนอยู่สองคนนเรียนบารีดูตามเวสานสัมตะมีนะโผล่มาอยู่ โ, กกโพลสองชนะก่อนชนใช่ไหมน่มะตระกูลที่มีชนอยู่สองคนนี่นะที่สูกเข้าไปยังตระกูลที่มีคนอยู่สองคนนะั้น อีกอย่างหนึ่งนะครับแปลได้อีกในหนึ่งนะคําว่าสะโพชนะแปลว่าตระกูลที่มีโพคะครับโพชนะหมายถึงโภค่ะสาวกมีที่ ม, มาต่างๆตระกูลที่มีโภค่ะก็ได้นะครับจึงอยู่บุตรที่ถูกรายค่กุ่มรุมย่อมมีสตรีเป็นโภคะและสตรีก็มีบุตรเป็นโภคะเหมือนกันเพราะเห็นนั้นแหลในวาระจมแนบบทนั้น คุบาพระเจ้าจึงตรัสว่ามีสตรีกับบุรุษด้วยคำ ว, ว่าอนุปกัชะนิสชังกับเปะยะกแปลว่าเข้าไปนั่งแทกในตะกลูลนั้นสถานที่ใดเป็นที่อยู่สมันนอนนี่ครับหอือห้องนอนนะครับที่สุก้าวลวงมัทาบาดจากบานประตูอันนี้แก้บานใหญ่ยังไม่เอานะบานประตูแห่งเรือนนอนหลังใหญ่ถ้าเป็นห้องนอนห้องใหญ่ใช่ไหม เอาเดินเข้าประตูไปนะเลยถ่านผาประตูเข้าไปอีกนะครับที่เขาทำไว้ในศาลาสีมุกเป็นต้นที่ใหญ่นั้นนครับนี่นะนี่เรือนนอนหลังใหญ่นี่เอันนี้นั่งอยู่ในสถานที่ใกล้ที่นอนนะครับในภายในหรือนั่งอยู่ตรงกลางของเรือนนอนหลังเล็กนะครับถ้าเรือนนอนหลังเล็กก็เอากลางห้องก็กลาง พ่สูผู้นั่งอย่างนี้ต้องบวยปาจิตีเพราะห้องเล็กมันก็แค่เข้าไปหน่ยเดีใช่ไหมมันก็ถึงการห้องแล้ น, นี้นี่แหละเหตุเกิดและประเภทอาบาชสิขาบทนี้เมื่อภาคเจ้ า, จารทรงปรารข้า ป, ปนันทะในเมืองสามัติีทรงบญญยายนแล้วพระเหตุคือการเข้าไปนั่งแทะในตระกลูลของคนที่กุ้มลุมพ่อราคะ แ <c oughs> นท่ที่ราคาคุ้มหุนนะครับเอ่อเป็นสาธารณะบัญญัติที่สุนีก็มีนะครับอนามณติกาไม่เกี่ยวการใช้ใครเข้าไปก็โดนเองนะวิกาปานจิตีนะครับเป็นห้องนอนครับเข้าใจสงสัยสมพันผิดเข้าไปอย่างนั้นนะก็ต้องอันตรบัตรท่านั้นนะครับหมายความว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันนะแต่พระเอาข้อเป็นัน่งแท็กอะ่านี้ น, นะครับเอไม่ใช่เรียนสมองนอน สำคัญว่าเป็นเรียนสำหลับนอนไม่ใช่ห้องนอนนั้นท่างเข้าใจผิเป็นห้องนอนหรือมีความสงสยัยต้องอาบัตทุกบรอบณาบารที่สุดไม่ต้องอาบัตเมื่อไม่ใช่เรียนสาหรับนอนสําคัญว่าไม่ใช่เรียนสาหรับนอนแล้วไปไม่เป็นไระครับเป็นห้องรับแขกห้องโงห้องอะไรแล้วห้องครัวแล้วแต่นะทิงที่ห้องนอนนี่ไม่เป็นนั่งอยู่ไม่ในสถานที่ ซึ่งมีลักษณะดังกล่าวแล้วใช่ไหมห้องใหญ่ก็เปิดประตูเข้าไปแต่ไม่เลยถ่าบาประตูเข้าบ้านนี่นะครับอยู่ติดประตูเลยนี่เป็นห้องนอนหลังเลยก็ไม่ถึงการห้องใช่ไหมอันนี้ก็ยังไม่เป็นนะครับนั่งอยู่กับพิสุเอา้าวมีเพื่อนไปด้วยครับไม่เป็นไรนะมีเพื่อนพิสุไปด้วยไม่เป็นไรนะครับ เ, เมื่อสามีภรรยาทั้งสองออกไปแล้ว หรือหายกระสันแล้วเข้าไปนั่งนี่ก็ไม่ต้องอาบัครับผิงผู้ชาออกไปแล้วใช่ไหมหรือก็หายกระสันแล้วนะครับแล้วี่สูบบ้านเป็นต้นนี้ก็ไม่ต้องอาบออกอาบัดสิครับตัวนี้มีองศีเหล่านี้คือหนึ่งสามีภรรยาเกิดความกระสันนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นองค์ของคลองเลยนะเพราะอะไรเห็นไหมครับต้องเปน็นนี้สองเป็นเรียงสำหรับนอนห้องนอนด้วยครับ สามพิสุไม่มีเพื่อนนั่งอยู่ด้วยเข้าไปรูปเดียวสี่เข้าไปนั่งแตะเ mm hmm. มื่อพระองค์ก็ต้องบัดไปตีสก ข, ขาบทนปบึปลาชิ mm hmm. ปไปตีปลาชิบนะไตี mm hmm. อ๋เหรอหนึ่งสมุฐานเป็นต้นนะครับเหมือนกับในปฐมปลาชิกสกขาวบทแรกคือเท่าไหร่ mm hmm. ครับ mm hmm. ปลาชิกเท่ามีสมุทาน ประสาทที่ข้อหนึ่งครับกายเส้นเมทูนอ่ะประสายี่ึเส้นมทุนครับกายจิตกายจิตนะครับองเดียวองค์เดียวครับกายจิตก็เส้นเมถุนไงมันต้องมีจิตที่จะเสกขึ้นมายินดีแล้วก็เสกด้วยกายนั้นนะครับอันนี้ก็มีองค์หมืนข้อนั้นนะคือมีจิตจิตอะไรเนึ่งจิตที่จะ เคื่อเกียร์นะครับไอ้พ่อจะยินดีนะคืิยินดีแอ้ต้องต้องดูใจใจเป็นไรนะครับจิตคิดจะนั่งพ่อมันเป็นสีกาไปตีใช่ไหมครับอนะครับมีเวหนาสองเป็นโลผ้านครับมีจิตนีดเป็นโลผ้าอะไรนะนะคับจะเป็นสมนัหรือเวขาก็แล้วแต่งนะครับไอ้ภุสวัจิตนะจิตเป็นโลผ้าอ้าจิตตรงนี้นะครับแลวก็เข้าไปนั่งแส่ เราอยากจะรู้อยจะเห็นนะอะไรครับก็เลยเข้าเป็นั่งแท็กนะนี้ผมจะต้องย่างใชนไะมจบการอธิบายสัพโพชนะหมถามบทจบแล้วไม่แน่ฮะบางที่เราเราไปไม่ทั่วใช่ไหมอาจจะมีอะไรแปลกกอ่ที่เราเคยนั่นนะครับมันเคยมีพระที่ไปตบก้อนโยนะโยเข้ามาวัดทล่วก็เอามันไปตบก้อนโยโยอก็มาฟ้องมาบอกว่า คือว่ามจริงสมัยนี้เข้าจับเสร็จเลยนะเข้าจับเสร็กนี่เลยถ้ารว้านามผู้หญิงใช่ไหมเข้าหนังเลย